แก่ง่อมย่อมทุลักษ์ทุเลมากดั่งคนบอดข้ามฟากฝั่งคลองหาวิธีไต่ไผ่ลำคลานคลํา ม, มากิริยาแสนทุลักษ์ทุเลแลถ้าไม่อยากให้ทุลักษ์ทุเลมากต้องข้ามฟากให้พ้นก่อนตนแก่ก่อนตามืด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 ถรับเราได้สร้างที่พึ่งให้กับจิตใจของเราเป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นทรัพย์ภายในเป็นอริยทรัพย์ที่ไม่มีใครสามารถจะช่วงริงไปได้ขอให้เรามีสติคลองกายคลองใจรักษากายรักษาใจเอาไว้เราจะปลอดภยัยปลอดภัยจากอะไรปลอดภัยจากความทุกข์จากเหตุัองความทุกข์ก็คือ กิเลสเนี่ยเองความโลภความโกรธความหลงเขาไม่ได้เกิดที่ไหนหรอกครับเขาเกิดขึ้นที่จิตที่ใจของเราเพราะว่าเราไม่มียามไม่มีผู้รักษาความปลอดภัยเอาไว้ดูแลใจของเราใจเราไม่มีเจ้าของจึงถูกกิเลสเนี่ยเปรตสมุนสารพิษเขาครอบงำจิตใจเราสารพิษเมื่อเข้าสู่จิตใจเราแล้วเนี่ยใจเรามันก็ เป็นทุกข์เหมือนร่างกายเราอะถ้าทาอาหารที่เป็นพิษเป็นภยัยร่างกายเราก็จะมีปัญหามีโรคภัยไข้เจ็บสอร์แซกมากมายมีความจกตวิได้ป่วยเพราะว่าสารพิษที่เข้ามาทางอาหารหรือทางลมหายใจเป็นต้นจิตใจเราก็เหมือนกันถ้าเราขาดสติคอยคุ้มครองดูแลแ ล, แล้วก็เนี่ยใจเราก็จะรับเอาสารพิษนั้นเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเรา เพราะฉะนั้นเราต้องเจริญสติอยู่เนืองเพื่อป้องกันสารพิษไม่ใเข้าสู่จิตใจของเราสารพิษก็คือเรื่องของความอยากอยากได้ต้องการสิ่งนูน้นสิ่งนี้ที่มันผุดขึ้นในจิตในใจเราเนี่แล้วเราก็ยึดมั่นถือมั่นยึดติดในอารมณ์ความอยากเฉพาะในสิ่งที่เราไม่อยากได้แต่มันจําเป็นต้องมีขึ้นในตัวเราเนี่ยอย่างเช่นโรคภยครัยไข้เจ็บเนี่ยไม่มีใครต้องการ โรคไปเค่เจ็บยังไม่มีใครต้องการเลยนะแต่บางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่ากายของเราเนี่ยย่อมมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราไม่อยากได้ความยากจนความลําบากความทุกข์เราไม่ต้องการแต่เราก็ไปยึดมั่นถือมั่นอย่าจะขับไล่สส่งใจเราเนี่ยถูกสารพิษเข้าคอรอบงำแล้วบางทีอาจจะเกิดความท้อแท้เศร้าหมองซึมเศร้าอันนี้ก็ถือเป็นสารพิษ ที่เข้าสู่จิตใจของเรารบางทีอาจจะวิตกกังวลในสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือในอนาคตก ล, างงกลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นอย่างนี้ไม่มั่นใจตัวเองไม่มีความแน่ใจไม่มีความเชื่อมั่นในสิ่งต่างๆในเหตุการณ์ต่างๆกลัวล่วงหน้าอันนี้ก็คือสารพิษที่เกิดจากความคิดเข้ามาปรุงแต่งจิตปรุงแต่งใจของเราของสารที่เกิดจากสารพิษก็มีมากมาย ยกสักข้อนึงก็คือความไม่ได้ดังใจความไม่ได้ดังใจนี่นะอ้อยากได้สิ่งนั้นไม่อยากได้สิ่งนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้นี่ไม่ได้อย่างใจเราอันนี้เป็นของแสลงเกิดขึ้นในจิตใจเราบ่อยอันที่จริงนี่มันก็คือสารคิดนั่นเองสารคิดเกิดจากความคิดทําให้จิตใจเราต้องเป็นทุกข์ทุกข์ทางด้านร่างกายนี่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ที่เป็นปัญหามากเพราะทุกข์ทางด้านจิตใ จ, จ จิตใจจเกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าความคิดนี้เป็นของเราความโลภ ค, ความโกรธ ค, ความหลงนี้เป็นของเรายึดติดยึดมั่นมาเป็นตัวเราของเราเนี่ยเพราะขาดสติขาดปัญญาใจถึงต้องเป็นทุกข์ในหละคือสารคิดที่จริงก็ดีเหมือนกันนะถ้าเราเจอเรสติบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อนี่สิ่งที่มันเกิด ก, กับกายกับใจเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เองทำให้เรารู้จักตัวเราเป็นการศึกษาชีวิตเลยนะ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 ที่มันเกิดขึ้นจิตจะได้คายสารพิษออกมาคายออกมาทนางดนจิตใจนะมันจะได้หมดจิตหมดใจสติเนี่ยทําหน้าที่เปิดประตูจิตปล่อยให้ลมมันออกมาทางจิตใจสับ้างจิตจะได้ไม่เครียดไม่หงุดหงิดคือปล่อยมาทางใจนะอย่าให้ร่วงออกมาทางกายทางวาจาถ้าปล่อยสารพิษผ่านไปทางกายทางวาจาแล้วมันจะเดือดร้อนถ้าก็ว่าเรา คายสารพิษให้กับคนรอบตัวเราท่านผูบบฟังเคยโดนไหมเดินสารพิษจากคนข้างๆตัวเราหหุจิตใจแล้วโกราใจล้วมีความทุกข์ความเครียดใส่เราโดยที่เราไม่รู้เรื่องด้วยแต่โดนสารพิษของเขาพ่นมาใส่ตัวเราอาจมาจากคําพูดหรือการกระทําก็ได้นั่นเพราะเขาขาดสติเขาจึงคายสารพิษที่เกิดขึ้นจากจิตใจ และร่วงออกมาทางกายทางวาจามากระทบกับเราเข้าแต่ไม่เป็นไรโดนสารพิษเจ็ตกใจตั้งสติให้ได้สตินี่ล่ะเป็นเครื่องป้องกันสารพิษที่เข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจสตินี่หละเป็นโล่ป้องกันตั้งสติให้ได้รู้ให้ทันสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเมื่อทีเราอาจจะเกิดความหงุดหงิดไม่พอใจบ้างก็ไม่เป็นไรนะให้เรารู้ทันรู้ว่าเราเนี่ไม่พอใจแนละ้ว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 ไม่ต้องไปห้ามอะไรให้รู้เฉยๆตั้งสติรู้เฉยๆรู้แบบปล่อยๆวางๆแบบไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเมื่อปรากฏการเกิดขึ้นบางอย่างเราต้องรู้แล้วก็ต้องช่วยแก้ไขนะต้องเข้าไปทําหน้าที่อย่างเช่นความเจ็บไข้เดป่วยที่เกิดขึ้นทางร่างกายเมื่อมันแสดงอาการออกมาเราต้องมีสติแลวก็ต้องช่วยเขาแก้ไขบ้างเขาเปรียบเสมือน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 ด้่ยใจเป็นกลางๆเย็นๆระวังนะอย่าไปรับมุกกับอาการเหล่านั้นเวลามันเกิดความโลภเราก็ทำตามแสดงว่าเรารับมุกแล้วรับมุกอารมณ์รับมุก ค, ค, ความคิดแนละ้วเวลามันเกิดความโกรธเรานี่ไปโกรธด้วยเนี่ยเราไปรับมุกแล้วเขาแสดงตัวความโกรธไหมเราเห็นทางด้านจิตใจเรารู้ว่าเฉยๆอย่าไปรับมุกแล้วก็ไม่ต้องไปขับไล่สายส่งเขา รู้เจยๆแบบยิ้มยิ้มรู้แบบยิ้มยิ้เนี่ยโอ้เนี่ยมันโครละคั่วเลยนะความโกรธไม่ยิ้มนะแต่ถ้ามีความรู้สึกตัวยิ้มใส่อารมณ์อารมณ์มันก็จะเกอ้อเขินเหมือนกันนะมันก็จะดับไปให้เราถือซิว่าการตบมือข้างเดียวเนี่ยมันไม่ดังเราปล่อยให้กิเลสเขาตบมือเขาข้างเดียวเราก็ดูแบบยิ้มยิ้มเนี่ยนะมันไม่ดังนะแล้วอารมณ์ต่างๆกิเลสต่างๆก็จะเกอ้อเขิน แล้วก็จะดับไปเองเนี่ยสําคัญมากเพื่อให้เราฝึกจริตสติบ่อยๆในแต่ละวันทําำเรื่อยๆนึกขึ้นได้ก็ทําถ้ามันเผลอมันลืมก็ปล่อยมันไปดีแล้วที่มันเผลอมันลืมเราจะได้แก้ปัญหาที่จะไม่หลงไม่ลืมทําบ่อยๆจนเคยชินเป็นอุปนิสัยเลยมันจะเกิดความเคยชินโดยอัตโนมัติสติจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติมันยากที่จะหลงหรือสติ มันจะง่ายที่จะมีสติอยู่เนืองๆเนืองๆเนี่ยทำให้เป็นจริตนิสัยของเราเลยคือการฝึกสตินี่แหละจิตเมื่อโดนสติสอนบ่อยๆเนี่ยจิตมันก็จะเข็ดหลาบมันจะจําสภาวะไว้ได้จําอาการของการมีสติได้คือจําสติได้นั่นเองโอการมีสติเป็นอย่างนี้เองทุกครั้งที่มีสติเนี่ยจิตมันจะเบิกบานจิตมันจะสบายใช่ไหมจิตมันก็ชอบความสบายเหมือนกันนะจิตจะจําได้กับ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 ทำไมเราจะเป็นอย่างนั้นทําไมเราจึงต้องเดินดิง่งตรงไปที่ตู้เย็นแล้วก็เปิดตู้เย็นบางทีเปิดแล้วก็ปิดนะไม่มีอะไรนะแต่ขอให้เปิดสักหน่อยเถอะนะอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าความเป็นอัตโนมัติทําด้วยความเคยชินจึงต้องเดินเข้าบ้านเราต้องไปเปิดตู้เย็นทุกทางทุกกลาการเจริญสติก็เหมือนกันถ้าเราทำบ่อยๆทำึำเมืองทําเป็นอุปนิสัยเนี่ยจิตมันก็จะมีสติเองโดยอัตโนมัติต่อไปเราก็ไม่ต้องสร้างอะไรมากแล้ว เราสร้างเขาแล้วเขาทำหน้าที่ของเขาเอง